2,524 เมื่อเรามาพบมาเห็นเริ่มมาะสมกันในวันนี้สำหรับผมจะได้ให้พอาคิดตามทิศิและความเห็นคมเข้าใจผมทราบซึ่งในจิตใจของผมเองเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้จดจำ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 หรือศาสนะพุทธมาหลายปีเหมือนกันนี่เคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยทำกรรมฐานมากับครูบาอาจารย์ก็หลายมาไรื่อมากมาพอแต่ผมยังมีความสงสัยมีความยังเลยใจไม่แน่ใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรจิตอะไรถูกอันนี้ผมไม่แน่ใจ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 อยากแนะนำเอาไปปฏิบัติก็ได้ดังนั้นคนเราเมื่ออยู่ในทีมืดแล้วจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องวกวนอยู่ที่นั้น เ, นเหมือนกับนกที่เราเห็นกันอยู่ด้วยตาเนื้อเรานกไม่อยู่ในโครงถึงมันจะวิ่งไปนั้นมานี่มันก็อยู่ในกรงนั่นเองมันก็หาทางที่จะออกจากโครงนั้นออกไม่ได้ดังนั้นคนเราเมื่อติดครอบงาอยู่อะไรอันใดอันหนึ่งที่มันติด มันครอบงาอยู่ในจิตใจของเราหรือซีริสของเรานั่นเนี่ยอันนั้นคือเราอยู่ในที่มืดเมื่อเราไม่มีความสงสัยไ ม, ม่มีที่ข้องแวะเหมือนกับที่เราเดินไปกลางวันเรามองเห็นอันใดอันหนึ่งเรือที่สําคัญอันใดอันหนึ่งเรามองเห็นอันด้วยตาเนือ้อเราจะไม่ได้ไปที่ที่มันจะเป็นคิดเป็นไทยนั้นเหมือนกับเราที่ออกจากที่มืดเราก็เดินไปได้สบายใครจะพูดอย่างไรเราก็ไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องคล้องแวะเพราะเราเห็นแจ้งรู้จริงอันนี้เป็นทิฐิดผมเห็นและผมเข้าใจของผมดังนั้นผมจึงอะไม่เสื้อไขทั้งหมดไม่ไม่เสื้อทั้งตำรับตำลาตเตทเรียนได้ยินได้ฟังเอาไว้ตำรับตาราหรือตัวหนังสือเขียนเอาไว้ก็ฟังเอาไว้แต่ไม่ได้ปฏิเสธอันนี้ไม่ดีไม่ได้ปฏิเสธอย่างนั้นเกิดไม่เื่ออย่านั้นคือเสื่อมั่นในผมเห็นในคนเข้าใจ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 อย่างที่คนธรรมดานั้นทุกคือความไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวไม่มีของอันนี้ทุกอีกแบบหนึ่งแล้บางคนผู้มีปัญญาลึกกว่านั้นก็ทุกเหตุว่ามีความโกรธความโลภความหลงอันนี้ก็เป็นทุกอีกอย่างหนึง่งทุกบางคนมีความสงสยัยนอกเหนือไปจากความโกรธความโลภความหลงแล้วก็จะมีความสงสยัยอันนี้ก็เป็นทุกอีกแบบหนึง่งทุกอีกแบบม ท, ทุกเพราะการไม่เห็ น, นการไม่รู้การไม่เข้าใจ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 มันมีความสงสัยมันมีความนึกความคิดอะไรผมไม่รู้อันนี้เสือผมอย่างมี้ผมสงสัยต่อเมื่อผมไม่ต้องหลับตาอะไรอันใดมาผมเห็นด้วยตาเนือ้อและความคิดผมคิดขึ้นมาผมรู้ผมเข้าใจผมเห็นผมคิดของผมผมก็เลยเข้าใจว่า น, นี่ที่ทางที่จะนําไปหาพระพุทธเจ้าผมเลยเข้าใจอย่างนี้ถ้าพระเจ้าอยู่ที่ไหน พระพุทธเจ้าคือ no ต no ัวเจ้าชายสิทธัตถะปุหมานั้นอันนั้นเป็นเพียงรูปภาพนึกเป็นรูปเป็นวัตถุผมเข้าใจอย่างนี้อันพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นน่ะอยู่ที่ไหนอันพระพุทธเจ้าจริงๆน่นคือคนที่ไม่มีทุกข์นั่นแหละบุคคลใดไม่มีทุกข์อันนั้นแหละคือพระพุทธเจ้าบุคคลใดยังมีทุกข์อันนั้นเท่าไ่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือยังไม่ได้นำแต่หาพระพุทธเจ้าผมเข้าใจอย่างนี้นล้วนั่นคําว่าไม่มีทุกข์นั้น ไม่มีทุกข์เพราะกันไม่รู้อันนั้นกับไม่ใช่เวลาแตไม่มีทุกข์คือมันยังมีทุกข์อยู่แต่ความทุกข์นั้นมันมันไม่เหมือนกันบางคนเทยตจะตามอารมณ์ตัวเองไม่มีทุกข์อันนั้นกดีเหมือนกันดีเพราะบุคคลคนนั้นแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมว่าไม่มีทุกข์คือพราะการเห็นการรู้กันเข้าใจการสัมผัสได้ผมเข้าใจอย่างนี้นผมก็เลยพยายามทำพยายามทำจริงๆครับทําเพื่อควาเข้าใจจริงๆ ทำเพื่อสิลิกของเราจริงๆทำเพื่อตัวเราจริงๆทำเพื่อคนทุกคนในโลกนี้จริงๆครับอันนี้ผมเข้าใจอย่างนี้คือเรื่องไม่มีเงินไม่มีทองนั้นไม่มีเข้าไม่มีของ น, นัเป็นคนเกียรติทานเป็นคนไม่เอาไหนคนแบบนั้นเขเสือไม่มีทุกข์กเพราะเขาไม่เห็นทุกข์อย่างนั้นและบัด น, นี้บุคคลที่โกรธเขาก็เข้าใจว่าโคมโกรธนั้นเป็นโคมสุขเขาก็เข้าใจแดีนั้นี้เขาจึงโกรธขึ้นมาได้บางคน ร้องเพลงหรือดูหนังอันนั้นบุคคลผู้นั้นเขาก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นทุกข์เขาจึงทำอย่างนั้นบางคนมีความสงสัยอันนั้นอันนี้กวเขาก็คิดอย่างนั้นแหละก็เพราะเขาเข้าใจอย่างนั้นว่ามันไม่เป็นทุกข์ผมเลยเข้าใจความสงสัยเนี่ยมันเป็นทุกข์ผมเข้าใจอย่างผมจึงทำให้มันเป็นว่าไม่ให้มีความสงสัยท่านคนไม่สงสัยนี่มันไม่ใช่เป็นผมสงบ มันไม่ใช่เป็นความสงบที่ตัว น, นั้นอยู่คนเดียวอันนั้นคือมันเป็นการเห็นแจ้งมาเป็นการรู้จริงมันเป็นการเข้าใจได้จริงๆ ร, รอันความสงบแบบนี้หรือว่าความสงบก็ได้หรือจะว่าความเห็นแจ้งก็ได้หรือจะว่าความออกจากที่มืดแล้วก็ได้หรือจะว่าเราเราไม่มีความคล้องแค่อะไรทั้งหมดแม้ตำหนับตําราพูดอย่างนั้นเราก็เข้าใจเราไม่ต้องไปค้องติดอยู่กับตัวตำหรับตําลาที่เป็นวัตถุอันนั้นอันนี้ก็คือว่า ความสงบแบบนี้ที่ผมนําไปเล่าอยู่ที่ไหนก็ตามผมชอบพูดอย่างนี้เพราะทุกคนมันมีอย่างนี้ผมเข้าใจและนั่นความสงบที่ผมพูดนี้มันจึงไม่เป็นนั่งสงบคือมันสงบเพราะกลมออกจากความหลงผิดมันสงบเพราะมันออกจากเทมืดได้มันสงบเพราะมันไม่มีความสงสัยมันสงบไปแบบนี้แต่มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้กินอะไรก็ได้นั่งยังไงก็ได้นอนยังไงก็ได้ ม is you, są, Actually, them, so iness, them, next, ันไม่แต่คล้องแยะสิ่งเหล่านั้นอันนี้มันคนสงบแบบนี้ดังนั้นเราควรศึกษาและควรปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจจริงจริงสิ่งที่รู้นั้นสิ่งที่เข้าใจนั้นรู้ของจริงและเข้าใจของจริงเราจะนั่งอยู่ที่ไหนก็เห็นแจ้งรู้จริงอยู่อย่างนั้นเราจะเดินอยู่ที่ไหนก็ต้องเห็นแจ้งรู้จริงอยู่อย่างนั้นเราจะนอนก็ตามจะไปยังไงก็ตามมันต้องรู้แจ้งเห็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ไปเห็นด้วยตาเนื้ออันนี้แต่ตาเนื้อเขามองเห็น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 มันไม่ไมีโทสะหรือมันไม่มีโลภะหรื อ, รอผมเห็นอันนี้ครับฉะนั้นเติดชีวิตของคนทุกคนนะครับมันไม่ได้มีโทสะมันไม่ได้มีโมหะมันไม่ได้มีโลภะมันไม่ไมีความทุกข์อันไหนมันเป็นเฉยๆหรือยังอันนัน้นเป็นตัวชีวิตของเราชีวิตนั้นคือมีลมหายใจเมดลมหายใจเืียว่าตายอัเนี้อันนี้เรื่องชีวิตันน้เรื่องจิตเรื่องใจแบบนี้ครับเรื่องจิตเรื่องใจนั้นถ้าหากว่า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 ออกจากที่มืดออกจากที่เป็นตมเป็นโคลนได้เนตัวจิตใจของเราหนะ่ะนี่ว่าอารมณ์คือตัวจิตใจนั้นนะ่ะตัวนึกตัวคิดนั้นนะอยู่ด้วยอารมณ์ที่ไม่สกปกปอกนี่ว่าจิตใจค้นจะจากที่สุกปกกมันไม่มีอะไดมาข้องแวะมันเข้าใจอย่างนี้ครับบ้นนี้คือร่างกายของเราเนะี่ยมันต้องอาศัยการนั่งการนอนการอยู่การกินเสื้อผ้าต้องอาศัยการมานุง่งมาปกมาปิด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 ในระยะที่มันปรากฏนั้นมันป่าเพิ่มครับมันเป็นตีตีก็ก็ว่าได้หรือว่ามันไม่เป็นตีตีก็ว่าได้ครับจะพูดยังไงมันก็ถูกทั้งหมดเลยครับเพราะว่ามันเบาทั้งหมดเลยมันเบากายเบาใจเบาชีวิตเบาไปทั้งหมดเลยครับคือมันไม่มีอันไดมาติดพันมาติดมาพันมันไม่มีอะไดมาเกาะมาคล้องมันครับคือมันชื่อทั้งหมดเลยครับคือมันเรียกว่า มันไม่มีอันใดครับตัวชีวิตของเราจริงๆนะครับตัวจิตใจของเราจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นครับอันนั้นแหละคือความสะอาดอันที่เราพูดกันว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบนะครับจิตใจหรือชีวิตเนี่ยมันสะอาดอยู่แล้วครับธรรมสว่างนี่ก็หมายถึงตัวอินทรีย์หรือตัวสติหรือตัวปัญญาหรือจะพูดยังไงก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมติครับใครเห็นใครรู้ไปเข้าใจไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นเรียกว่า สว่างคือเรามองเมื่อสวยนี่ครับมันทะลุใสจริงๆมันนี้สงบก็บหมายถึงโอทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีเรื่องที่เราจะไปสนใจเรื่องนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนนี้ถ้าหากว่าเราศึกษาอย่างนี้ผมรับรองได้ว่าทุกคนต้องพบจ้องเห็นทุกคนต้องเข้าใจจริงๆอย่างนี้เพราะมันมีจริงๆในคนนี้ครับอันไี้หมายถึว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราแม้จะจับสาจีวรของเราอยู่ก็ไม่เห็นเราคือว่าไม่เห็นธรรมอันนี้ผมเข้าใจอย่างนี้ครับอันนี้ทิศถิของผมอรับเห็นธรรมนั้นไม่ได้ว่าไปเห็นดวงแก้วไม่ใช่ไปเห็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปเห็นพระพุทธรูปรอยเข้ามาเนี่ยผมไม่เข้าใจอย่างนั้นครับแต่สมัยก่อนๆนั้นผมเข้าใจอย่างนั้นครับผมผมไม่รู้เนี่ยมันก็ต้องเข้าใจไปอย่างเลแต่เมื่อผมมารู้อายุ46ปีครับผมเป็นโยมครับ คือว่าผมรับรองได้ว่าจะถือศาสนาไหนก็ตามจะนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามเป็นพระเป็นเนมก็ตามเขียนหนังสือเป็นก็ตามเขียนหนังสือไม่เป็นก็ตามคนจนก็ตามคนรวยก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอให้ใจวัดเป็นคนนี่ก็แล้วกันครับมาปฏิบัติได้ถ้าพูดแล้วรู้เรื่องกันผมเข้าใจอย่างนั้นครับคือว่าผมว่าโฆษณาพุทธหรือคําสอนของพระพุทเจ้านี่มันไม่เหมือนกับที่เราเรียนมานั้น มันไม่เหมือนกับที่ทเราปฏิบัติมานั้นมันไม่เหมือนจริงๆครับแล้วมันก็เหมือนจริงๆแบบนี้ทำมาก็มันเหมือนเนี่ยมันไม่มีทุกจริสงๆครับอันที่เราสนใจกันนั้นคือเราไปสนใจกับเรื่องที่มันไม่ตรงครับคือ of of yourself, เราไปสนใจกันทําอย่างนั้นผิดทําอย่างนี้ถูกเราไปสนใจกับเรื่องนั้นเราไม่เคยมาสนใจชีวิตของเราคือเราไม่มาสนใจตัวจิตใจของเราจริงๆเนี่ยเราไม่เคยมาสนใจที่ตรงนี้เราก็เลยไม่รู้ เมืน่อเมื่อพูดอย่างนี้ก็สมมติพูดให้ฟังคนทุกคนได้มันกินข้าวเป็นเขาถึงมันจะไม่เคยรู้ว่าอันนี้เป็นข้าวมันไม่เคยดันมามันไม่เคยรู้จักว่าไม่ข้าวเปลือกเป็นอย่างไรไม่เข้าวสารเป็นอย่างไรมันไม่เคยรู้จริงๆแต่เมื่อเอาข้าวมาให้มันกิ น, น that, มันกินเป็นมดทุกคนทีเดียวครับจะเป็นคนไทยก็กิ น, rain, กกนข้าวเป็นจะเป็นคนจีนก็กินข้าวเป็นจะเป็นคนฝรั่งอังกฤษอันะไรกินข้าวเป็นมดทุกคนทีเดียวครับแต่เมื่อเด็กๆนั้นมันไม่รู้ค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 ก็ได้ไม่ว่าจะทําให้คําสอนของใครก็ได้นะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นคําสอนของบุคคลที่รู้จริงนั่นนะครับมันไม่ใช่เป็นคนรู้มาจากตำลับลาํารามันไม่ใช่เป็นคนรู้เรียนนะครับอันนี้มันไม่ใช่เป็คนคมรู้จามันเป็นคมรู้สํานึกขึ้นมาภายในจิตใจครับคันถ้าพูดตามตัวหนังสือเขาว่าญาณปัญญาก็ได้เรื่อปัญญาญาณก็ได้หรือว่าที่ปรินาก็ได้เนี่ยเอาแล้วจะสมมติพูดขึ้นมาก็ได้ครับหรือจะว่าไม่มีตัวไม่มีตนก็ได้เนี่ยมันพูดไปอยังไงนรับ <c oughs> มันนี้จะพูดเรมีตัวมี ต, มตกนก็นได้ก็ครูรู้เนี่ยผมรู้เนี่ยสันรู้เนี่ยจะพูดเรื่องมีตัวมีตนจะนี้ก็ได้ครับมันสมมติคับแต่ขอให้เราทุกคนปฏิบัติให้จริงจังและผมเข้าใจว่าแน่นอนที่สุดครับชีวิตของคนนี่มันไม่มีทุกครับท่านกล่ว่าอุเตคขาอุเตคขาอันอุเตคขาเนี่ยเราก็หาว่า ว, า, วางเสยต้องวางเสยที่อันตัวธรรมชาติตัวชีวิตของเราจริงๆนะครับ มันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปผู้ระบางสวยก็ได้หรือจะผู้ราะบางสวยก็ได้อันนั้นแหละสวัสดีชีวิตแท้ครับคนเกิดมาแล้วข็ได้รับรถคันนั้นแท้ๆคือไม่เสียทีไม่ขาดทุนศูนย์เปล่าที่มาเกิดเป็นคนครับถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจอย่างนั้นมันก็เลยไม่พบกับของสิ่งนั้นเราก็เลยไม่รู้กับของสิ่งนั้นเราก็เลยไม่ได้รู้ลดราดสิ่งนั้นอันนี้แหละลดราดสิ่งที่มีเงินร้อยล้านพันล้านไป่คือกับไม่ได้ แม้จะแต่นังหลักตาอยู่นั้นถ้าหากว่าเราไม่ปรากฏมันก็ลดฟาดอันนั้นก็ยังไม่มีบัตรนี้คนไม่มีเงินแม้แต่ทางเดียวก็ตามเขาได้รับลดฟาดอันนั้นเขาอาจจะมีคนสุดเหนือบุคคลผู้ที่มีเงินร้อยล้านพันล้านก็ได้ครับแต่ตรงกันข้ามเลยครับวันนี้คนที่มีเงนินร้อยล้านพันล้านถ้าหากว่าไม่ได้รับลดฟาดอันนี้ก็ชื่อว่าขาดคุณศูนเปล่าในชีวิตนี้ครับบัตรนี้บุคคลที่เป็นนังหลักตาก็ตามไม่หลักตาก็ตามเป็นนังอยู่นั้นหละครับ หากว่าไม่ได้รับรถซาดอันนี้ก็ว่ามันนั่งประโยชน์ทันใดมันได้ประโยชน์อันใดมันก็เลยคาดทนศูนเปล่าอันนี้บุคคลที่ไม่ต้องนั่งก็ได้ไปไหนก็ได้แต่บุคคลผู้เช่นนั้นได้รับรถซาดอันนี้ก็ต้อว่าคนนั้นแหละมีกำไรชีวิตมีกำไรจิตใจจริงๆครับอันนี้ครับยังว่าพาระพุทธเจ้ า, านั้นไม่มีทุกข์คําว่าพระนั้นน่ะแปลว่าคนไม่มีทุกข์เท่านั้นเองครับคนใดยังมีทุกข์อยู่อันนั้นยังไม่ได้เป็นพระแห้ครับจะเปลียนที่เป็นพระกสมมต คือสมมุติมันจะมีมากครับอันสมมติพูดเนี่ยผมกําเลยไม่มีอะไรจะประพูดเรื่องสมมตินี้ให้ฟังครับแต่เราไม่ได้สนใจนะครับเราต้องปฏิบัติทําความรู้สึกครับมันเป็นวิธีง่ายๆรัดๆครับเราไปไหนมาไหนทำความเข้าใจหรือให้มีสติกําหนดรู้การเคลื่อนไหวรูปกายเหล่านี้หรือร่างกายเหล่านี้ครับมันคิจารการรู้มันหายใจการรู้มันคิดการรู้เนี่ยมันเอาเพียงแค่นี้แหละครับ ไม่ต้องหลับตาก็ได้หรือจะหลับตาก็ได้ครับถ้าหลับตาอยู่มันไม่รู้นั่นก็ไม่มีประโยชน์ครับถ้าหลับตาอยู่มันรู้มันก็มีประโยชน์ครับมันไม่มือตาอยู่ไม่รู้มันก็ไม่มีประโยชน์ครับมือตาอยู่มันรู้มันก็มีประโยชน์ครับมันไี้แต่รักษาศีลถ้าหางรักษาศีลอยู่นั้นไม่รู้คมคิดไม่รู้ลมหายใจไม่รู้การเคลื่อนไหวของร่างม bon. the you know. ันก the you know. so hey? ็ไม่มีประโยชน์ครับแต่บุคคลไม่เคยรักษาศีลก็ตาม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 เสียสลากเงินเสียสลากทองนั่นน่ะคือเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ต้องเสียสลากทรับเพราะรักษาอวัยวะเป็นว่ะคือเราต้องการอยากให้อวัยวะเรานี่สมบูรณ์ครับเป็นว่าเสียสลากทรัพเพราะรักษาอวัยวะบัดนี้ยอมเสียสลากอวัยวะคือร่างกายเราส่วนใดส่วนหนึ่งมันเป็นบาดเป็นแผลเราก็ต้องสัดเที่งเพราะเราไม่อยากตายครับอ่ามันเป็นอะไเป็นว่ะเสียสลากอวัยวะเพราะรักษาชีวิตบัดนี้ยอมเสียสลากชีวิตเพื่อรักษาความจริง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 เราเห็นอันนี้เราเข้าใจอันนี้เรามีอันนี้เราต้องเอาอันนี้ไปพูดเราต้องเอาอันนี้ไปว่าให้คนฟังคนที่ยังไม่เคยได้ยินเขาจะได้ยินคนที่ไม่เคยรู้บางทีอาจเขามีปัญญาอาจจะรู้ได้อย่างที่เราพูดกันหรือผมก็เคยพูดอย่างนี้มาว่าดอกไม้เนี่ยจะบานได้ต่อเมื่อมีแสงตะเวนหรือแสงแดดหรือแสงอันใดก็ตามแล้วมีคนสว่างเข้ามาแลวมันบานได้คนเราก็เหมือนกันครับ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 ครับดึงผมก็ไม่รู้สมัยนั้นผมไม่รู้จริงๆมีแตะคุบาอาจารย์ไว้ฟังและตัวน้องถือไม่ว่าอย่างไรรวมจริงแล้วเนี่ยครับอันมีสติสมบูรณ์นี่เนี่ยครับมันเปนเต็มกัดครับมันเต็มกับคือคิดไหวเพิษตาหายใจมันนึกมันคิดมันรู้เท่ารู้ทันรู้จักอันรู้จักแก้มันสมบูรณ์ครับอันนี้เดมันเต็มครับเมื่อมันเต็มมันสมบูรณ์เนี่สิมันก็เลยปรากฏขึ้นมาเหมือนกับเม็ดข้าวเนี่ยเม็ดข้าวเปลือกเนีะเป็นข้าวจ้าก็ตามข้าวเหนียวคอตาม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 อันนี้ผมพูดควจริงอันนี้ทิศผิดของผมครับหรือจะหาว่ามันคิดแล้วก็แล้วไปจะหาว่ามันพูดแล้วก็แล้วไปผมไม่ต้องสงสัยให้แกพูดว่าผิดก็ได้ให้แกพูดว่าถูกก็ได้เพราะว่าผมเข้าใจอย่างนี้ผมว่าผมไม่มีทุกข์ก็แล้วกันคนอื่นจะไมีทุกข์ก็แล้วกันแต่หากว่าทุกคนไม่ต้องการแล้วผมทุกข์เนี่ยผมต้องควรศึกษาและปฏิบัติเพราะชีวิตจิตใจของคนมันมีครับมันมีชีวิตมันมีจิตมีใจมันมีกายคนไทยก็มีอย่างนี้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 เธอผิดแล้วเป็นมิสัยทิฏฐินะมาเรื่องของคนนั้นพูดเองผมไม่ได้เป็นทิฏฐิิสทิฏฐิกับคนนั้นเนี่ยผมไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิกับคนนั้นผมเป็นมิสัยทิฏฐิเพรผมเองผมเป็นสัมมาทิฏฐิเพรผมเองเพราะผมรู้อย่างนี้เมื่อคนนั้นพูดว่าท่านเป็นมิสัาทิฏฐิผมก็ยอมรับว่าผมเป็นมิสัยทิฏฐิคนนั้นมาพูดว่าท่านเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วผมก็ยอมรับว่าผมเป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเองคือไม่ยอมรับเอาคําผิดอยากให้เราเห็นแจ้งรู้จริงนี่แหละออกไปได้อัน่รราเเห็นแก้งงเเเรรราาา้จจิขใ